คำว่าจิตนะเป็นความรู้อันหนึง่งเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมาย <c oughs> นะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตก็เพื่มตัวออก ดูความคิดความปรุงความจดจำสาคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นอ่ะอิจเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวออกไปโดยลำดับจนกระทั่ง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 แล้ว ม, มีกิ่งน้อยกิงใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพารณาวินาทีอ่านมันได้นานพอมันแตกออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนไม่อานที่จะนับได้ว่ารากแกวรลากฝอยมีเท่าไหร่หแพล ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนหเปลือกก็หุ้มตัวกระพี้แกนลำต้นขยายตัวไปเรื่อยกินกา้านตาขาใบอ่อนใบแก่กินน้อยกินใหญ่ดอกใหม่ดอกเก่าผ้นใหม่ผ้นเก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้ นี่เราเทียบกับจิตที่ได้เพิ่มตัวออกสู่ความคิดปรุงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจะผ่านมานานเพียงไรก็ไปคิดได้หมดเอามายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปํำคัญมันม่นหมายไปเรื่อยๆส่วนจึงวนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นเราไม่เคยเห็นความยุ่ง เราภาวนานเราก็รู้เรื่องความยุ่งว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าจิตร่างกายของเราเวลาหิวอาหารมารับทานพารับทานเสียก็ระงับดับกันไปน้ำกับพารดื่นเสียระงับดับไปไม่ควรอยดตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาห่วงเหงาพอนอน ก็ พ, พักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อเครียกก็พักผ่อนเสียเกิดโรคภัยก็เจิดขึ้นมากับบำบัดรักษาก็ยังมีการมีเวลาระงับดับลรุงพอเป็นความสุข ก, กายสบายธาตขันบ้างแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก็อควรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะมีสิ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่เช่นนั้นจิตจริงเหมือนกับลูกฟุตบอล น, นั่นเอง ถูกเตะปะนนิ้งไปโน่นปิ้งไปนี้ปิ้งไปปิ้งมาถูกฝ่าเท้า <c oughs> คงที่เลืออวทั้งเตะทั้งเหยียบย่าทําลายให้ยี่เลยอาจะให้แหลกจริงๆริจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิ ต, ตทําลายให้คิปหายไปก็คิปหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรามานเพราะสิ่งเหล่านั้น <c oughs> บีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละคำว่าเรื่อง ออกจากจิตวงเดียวนี่เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุแล้วผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนามาใช้ได้ผลเหมือน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 แล้วนำทั้งเหตุต้องผลนั่นมาสองสอนพุทธบริษัทรือสัตว์โลกทั่วไปให้รู้วิธีการผู้ใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติตนรรเองตามที่ท่านสอนไว้ผู้นั้นก็ได้รับผลไปโดยลำดับจนได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ การระงับดับทุกข์ยึงหมายถึงใจเป็นสําคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็ผู้จิตดวงนี้เป็นคนขี่คุกขี่ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่ล้นแล้วตั้งแต่เป็นพบที่รับความทุกข์ความทรมาน วิบากจะว่ายัางไงคำวมวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์ความบากไน่พน้อยภพใหญ่สัง้ายสังสารตา น, นั่งท่องเที่ยวอยู่อย่า ง, ง, างนั้นเราหาทางออกไม่ได้นี่พระพุธทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี่คือทางออกเรียกว่านิยานิการทำ นำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืดเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยานี้การทำสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทําขั้นต่ ำ, ตำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตัหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกมัดรัดดึง จ, จิตใจ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 เกิดเป็นความสุขขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตัวหนีที่เหนียวตัวหิงแก่ตัวนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทําให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมความทุกข์กกกขึ้นแก่ตัวเองหรือสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญอะไรสําคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นต้น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 มีห น, น้ำทำยังเกิดความปลืม อ, อกปลืมใจในเมื่อได้ทำตามความต้องการแล้วนี่คือผลแห่งการชนะกิเลสประเภทเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เป็นทางเรียกว่านิยานิกระธรรมเป็นทางผู้ที่นำาสตว์โลกออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดดึงเหล่านี้ด้วยอำ น, นาจของกิเลสไปได้เป็นขั้นๆตอนๆแล้วีลน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 การไม่ทำเพราะความเห็นสาระสำคัญหน่งใีวิตของเขาของเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะหนึ่งดังที่กล่ามานี้ออกได้นะทีนาเพิ่งเทียบลักษณะเดียวกันกามเมมูสาสุราดวนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องผูกมัดจิตใจของ จัดใหนะ้ความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นโอ้พวกนี้มักี่ความทำเทวดาทันว่าแล้วยม่งงยกล้าไหมูภาษีภาษาที่กล่าบมาต่านี้วันแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อแก้กิเลส ไม่ใช่สั่งสอนอย่างเปล่าๆปาสั่งสอนมันมีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมันแรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแงไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภาณาจิตใจของสาโลกและแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวมานี้อาการห้าอย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการห้านี่ภา น, นาอดินากาเมมุสาจุรานี่น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 นให้ศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นค่าสืบต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้คําว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปแล้วความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะรวมเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิต จิตแสดงออกในอาการใดซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าบ่อแห่งเหตุบ่อแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายต้นเหตุของกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจยังสอนให้ภาวนาให้รู้ต้นเหตุคือความคิดเป็นต้นเหตุอันหนึ่งก็สอนให้บริกรรมภาวนา หรือให้กาหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จิตให้เป็นเครื่องผูกจิตใจไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลำดับให้จิตมีอารมณ์อันเดียวกับทำที่กาหนดกับทมที่บริกรรมนั้นๆเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดว่กขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตน ท่านเรียกว่าจิตสงบเนี่ยลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิคาว่าสมาธินั่นคือเป็นฐานอันหนึ่งสำคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกก็ต้องสงบลงไปเพราะทุกเกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์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 ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทำแม้จะมีความยากความลำบากก็ฝืนเพราะเหตุผลและสักขีพยานบอกอยู่แล้วภายในตัวว่าความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการกระทำเพราะความอุตสาห์พยายาณแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจ ขนาดที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อไม่คิดถึงการเวลาเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่องเรืองบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นสุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสุขคงกิจจะยืนอยู่ก็เพลิน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดความปรุงระงับเข้ามาการกระทำมีความอุดหมุนกันไปโดยลําดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลําดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลาดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยน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 ในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์ในการคิดการปรุกเพราะเริ่มมีสติเริ่มมีความระมัดระวังขึ้นมาและเริ่มมีสาระสําคัญอันเป็นสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจไม่อยากจะให้สิ่งใดเข้ามากาะกวนทําลายสมบัติคือความสงบสุขที่เคยได้ปรากฏกับตนแล้วย่อมมีความระมัดระวังสมบัตินั้นไว้เสมอด้วยความมีสติ ด้วยความจงใจด้วยความพอใจจิตเลยกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติของเราเพราะยังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวออกมาเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและน่าอาชชัศจรรย์หรือน่าจะเป็นสมบัติของตนหรือน่าไว้ใจได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเป็นเป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อุ่นใจอันหนึ่งภายในตัวเอง จิตนั้นเลยกลายเป็นสมบัตขิของตนขึ้นมาแล้วก็รักสงวนพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อพวนทำลายจิตใจนั้นนั้นด้วยสตนินี่เป็นอีกขั้นหนึ่งคือความละเอียดมีเข้าไปโดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักมีเกณฑ์จิตเป็นสมบัติปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทำขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้ว สมบัติอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติหรือธรรมะสมบัติมีประจักษ์ใจในธรรมอีกแง่หนึง่งที่ท่านจะสอนให้สมบัติอันนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปและมีความรู้รอบตัวเพื่อกําจัดสิ่งที่แทรกซึอมอยู่ภายในจิตใจให้ขาดจากการประเดิมลำดับว่าจิตนี้มีความเกี่ยวเนื่อง ผูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจนาโดยโยกธาตุขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพริจานาคลี่คลายดูตลอดถึงสิ่งภายนอกบริษัทพริวานสมบัติต่างๆคิดไปเอามาเทียบเคียงว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลผู้ใดในสมบัติอันใด แล้วนำสิ่งนั้นๆเข้ามาคลี่คลายดูให้เห็นตามความจริงของมันเพื่อจิตเพื่อจิตจะได้ถอยตัวเข้ามาปล่อยความกังวลหรือความผูกพันอันนั้นซึ่งเป็นตัวอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นแล้วทำความกดดันจิตใจให้เป็นทุกข์ให้ถอยตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวคือจิต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 ท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเพื่อจะสอดแทรกเข้าไปให้รู้ความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุขันหรือร่างกายของตน ด, ด้วยการพิิจพิจารณาเราเราจะพิจารณาแยกแยกอาการทั้งมันหรือตามความเป็นอยู่ของมันก็แยกออกไปดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาเราจะ ม, มีที่ตรงไหนแย้งความจริงอันนี้เลยดูเข้าไปตั้งแต่หนังแต่ ข้างนอกหนังข้างในเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปดูเข้าไปมันเป็นยังไงตรงไหนที่เป็นดาวตรงไหนที่น่ารักเป็นไหนที่น่า ย, ยินดีตรงไหนที่เป็นเขาดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกส่วนแล้วมันก็เป็นกองธาตุกองขันเป็นกองอสุภะอสุพังเป็นป่าชา้าผีดิบเดวดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของธาตุก็ไม่มีอะไร มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนทั่งบัดนี้แล้วยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสาศคือวันสลายตัวแห่งส่วนประชุมเหล่านี้แห่งธาตุทั้งหลายเนี่ยถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งถึงจิตถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยขึ้นมาเองสลัดลงไปสลัดลงไปป่วยลงไปในส่วนอย่างคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้อ่า นี่อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสำคัญมันหมายเงา ม, มันปิดบังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะธาตุเพราะขานานันอันนี้จริงต้องเอาธาตุขันนี้มาแจงดูคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผู้จอมปลอมไปเที่ยวยึดนั่นตักปันมั่นหมายเอาสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราขอความยุ่งยากให้แก่ตนขนภูษมา นักเท่าไรก็จนกระทังไปไม่ได้ก็ยอมทนเพราะความหลงนี่เองนะปัญญากำหนดพิจนาให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเองโดยลำดับ้งัเมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองไปที่ไหนมันทะลุ ป, ปุโปร่งไปหมดภายในร่างกายนี้ เห็นตามความจริงอย่างประจักษ์ใจไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภานาก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จัดว่าเป็นโลกวิถีนคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในเป็นสภาพเหมือนกันนี้ทั้งนั้นนั่นนี่โลกวิูีเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลกวิูีเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วยังมีอะไรเป็นตัวการสําคัญ ที่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลากับพวกสัญญาพวกสังขารนี่ เ, เป็นตัวสําคัญเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไปสําคัญมั่นหมายสเวทนาเป็นเราเสียเวทนาเป็นเราเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นเราแน่เมื่อร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณนันก็เป็นเราไปด้วยกัน เ, เขามาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสําคัญนี่มันหลอกเรา พิจนารณาดูให้ชัดเจนความปรุงก็ยังคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดขึ้นขณะเดียวก็ดับไปพร้อมๆๆในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่กีรังถาวรอะไรเลยเป็นแต่เพียงความสําคัญมันหมายนั้นะมันไปยึดเอายึดยาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมัน่นถือมัน่นติดต่อสืบเนื่องมันเป็นเหมือนลูกโซ่เลยทุกข์เลยกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ไปตามๆ ก, กันคนทั้งคนเลยมีแต่ลูกโซ่คือความทุกข์เต็มหัวใจ การตัดลูกโซ่จึงตัดด้วยการพิจารณาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทราบว่าเป็นอาการหนึ่งๆของขันนั้นเท่านั้นเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจก็อนัตตาเนี่ยสรุปความอันนี้กางทุกขขันอนัตตาเนี่ยกระลงตรงนั้น ไม่ไปไหนคําว่าอนัตตาจะเป็นอัตาได้อย่างไงมันปฏิเจติตัวตนอยู่แล้วชัดๆเนี่ยเกิดขึ้นมันดับไปเนี่ยทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกันนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาทุกกายกับทุกใจมันเป็นเวทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือตรายลักษ์ล้นล้วนเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นตรายักษ์ล้นล้วนจริงๆ ชัญญาความหมายนี่ความแต่ว่าความหมายมันงมไปอย่างนั้นหมายนั้นหมายนี่จริงไม่จริงก็หมายไปจําไปลืมไปแล้วเอามาจําใหมย่ยุ่งกันไปหมดวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่มอมแหนความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัส <c oughs> ก็เกิดความรับรู้ขึ้นในขณะขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณความกระเพื่อมแห่งความรู้เท่านั้นเองความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสไม่สัมผัสก็ตามความรู้ต้องรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่ท่านเรียกว่าใจหรือท่านเรียกว่าจิตแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่มาสัมผัส ทั่วขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในขันห้าจริงกับปฏิจจุติวิญญาณจึงขิดกันวิญญาณในขันห้าปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิจจุิวิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นรูนที่เข้าสู่ปฏิจจุิที่ก่อกําเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตกล่าวในสถานที่นี้ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในขันห้าแล้วนี้ก็ เป็นสภาพเหมือนกันกับรูปเวทนาสัญญาสังขานมันเสมอกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยไตรลักษณ์นี่เหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตานี่มันไม่เหมือนเราเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้และจิตจะปล่อยความกังวล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 นี่ท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันที่มีอยู่กับตนซึ่งเป็นเครื่องปกปิดกำบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดยความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นธาตุนี่ท่านเรียกว่าตัดกิ่งก้านสาขาตัดรากแก้รากปล่อยของกิเลสเข้ามา มันเหลือแต่ลากแก้วพอถึงลาาแก้วแล้วก็ถอนอลาาแก้วคืออะไรคือตัวจิตที่เรียกตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ไม่มีผู้แน่เลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้ว รู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานเทนีไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่ไม่รู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยยกตัวขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายจะทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึงใช้ปัญญา ครี่คลายลึกขยี้ขย่ำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกอืมเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอํานาจแห่งปัญญาครี่คายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆนึกสั้นลายลงไปจริงๆด้วยอํานาจของปัญญาอันแหลมคม แล้วคาว่าเราคําว่าของเราก็หมดปัญหาคําว่ารูปร่างรูปเวรูปเวทนาสัญญาสัญขานยิญญาณหรือว่าอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี้ว่าเป็นเราก็หมดปัญหาไปตามๆกันเป็นอนิจจังทุกขังน้าตาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเพราะสิ้นปัญหาภายใจิตใจคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่งใด ใจจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้นๆ้วนนั่นแหละคือบอ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนิยา น, นินธรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้นดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นยาณิกรรมโดยสมบูรณ์นมสัตว์ผู้ข้องพูนง่ายๆหรือนำกิจผู้ข้องให้พ้นจากความข้องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถูรู้แจง้งเห็นจินในธาตุในขันทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหาการแยมเท่านั้น จากนั้นท่านก็ไม่สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันกระเมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชชิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายผลได้าจาจิตที่บริสุทธิดด์ล้วนๆนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสารนี้ พญานังจริงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ตนล้วนอันเป็นมัชฌิมานในหลักธรรมชาตินี้นี่แหละทำทำเอกก็คือนี้จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ทำอันเอกก็คือทำจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำอันบริสุทธิ์ภาะในใจนี้มีอันเดียวไม่มีสองกับอะไร โลกทั้งหลายมีคู่มีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นนี่แนะพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโล ก, กวิถีเป็นศาสตราเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลก ให้พวกเราทั้งหลายแ่าจะเกิดจุดท้าทายหลังตามความสมมุตินิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอาวาทคำสั่งสอนคือาศาสนธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทันกับพระพุทธเจ้าคือทําคําสั่งสอนของท่านได้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเรา ที่จะสมัครสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธืบริษัทโดยสมบูรณ์จึงขอยุติเพียงเท่านี้